ธรรมบทแปลเรื่องโกศยะเศรษฐีผู้มีความตรณีภาคที่สเรื่องที่37พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัีทรงบารอรบเศรษฐีชื่อโกศยะผู้มีความตรณีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายะถาปิ พมรู ป, ปุผังวันนะวันตังอาเหทยังปะเลติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีเเรแลลว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแมลงผู้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกชำ้ำถือเอาแต่รสแลว้วบินไปฉะนั้นเรื่องนี้ ตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชจุรืตอนสมบัติของเศรษฐีไม่อำนวยประโยชน์แก่ไกลๆดังได้สะดับมาในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชจุรืได้มีนิคมชื่อว่าสักกะเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกสยะมีความตรณีมีสมบัติแปดสิบโกด ประชําอยู่ในนิคมนั้นเขาไม่ให้แม้หยดน้ำมันสักหยดเดียวด้วยปลายาคาแกคนเหล่าอื่นทั้งไม่บริโภคด้วยตนเองสมบัติของเขานั้นไม่อํานวยประโยชน์แกปิยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเป็นต้นไม่อํานวยประโยชน์แกสมณะและปามทั้งหลายคงเป็นของไม่ได้ใช้สอย ตั้งอยู่เหมือนจะบกกรณีที่ผีเสื้อน้ำห่วแหนด้วยประการชนนี้แหละตอนเศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจนผอมในวันหนึ่งเวลาจวนสว่างพระาศาสดาสเสด็จออกจากสมาบัติอันประกอบด้วยความกรุณาใหญ่ทรงตรวจดูมูสัตวผู้เป็นเผ่าพันธุ ที่พอแนะนำในการตรัสรู้ได้ในสกลโลกธาตุได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปฏิผลของเศรษฐีพร้อมทั้งปรยาซึ่งอยู่ในที่สุดแห่งที่45สโยชน์ก็ในวันก่อนแต่นั้นเศรษฐีนั้นไปสู่พระราชมุตรเทียนเพื่อบำรุงพระราชาทำการบำรุงพระราชาแล้วกลับมา เห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งถูกความหิวครอบงำกำลังกินขนมกุมามาทคือขนมเบื้องให้เกิดความกรายในขนมนั้นขึ้นไปสู่เรื่องของตนแล้วมีความคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้องไซส์คนเป็นนันมากก็จะพากันอยากกินกับเราเมื่อเป็นเช่นนั้นวัตถุเป็นนันมาก มีงาเข้าสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นของเราก็จะถึงความหมดไปเราจะไม่บอกแกใครๆในนี้แล้วก็อดกลั้นความอยากเที่ยวไปเมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปเขาผอมเหลืองลงทุกทีมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นแต่นั้นไม่สามารถจะอดกลั้นความอยากไว้ได้เข้าห้องแล้ว นอนกอดเตียงเขาแม้ถึงความทุกข์อย่างนี้ก็ยังไม่บอกอะไรๆแกใครๆเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยาจึงเข้าไปหาเขารูปหลังแล้วถามว่าท่านไม่สบายหรือไนเสตีความไม่สบายอะไรๆของฉันไม่มีภรรยาก็พระราชากริ้วท่านหรือเสตี ถึงพระราชาก็ไม่เกลี้วฉันํระยะิยาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นความไม่พอใจอะไรๆที่พวกลูกชายลูกหญิงหรือบริวารชนมีทาตกรรมกรเป็นต้นกระทาแก่ท่านมีอยู่หรือเศรษฐีแม้การเห็นปานนั้นก็ไม่มีประยะิยาก็ท่านมีความอยากในอะไรหรือแม้เมื่อประยากล่าวอย่างนั้น เขาก็ไม่กล่าวอะไรคงนอนเงียบเสียงเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำนั้นภรยากล่าวกับเขาว่าบอกทนายท่านอยากอะไรเขาเป็นเหมือนเกินคาพูดไว้บอกว่าฉันมีความอยากภรยาอยากอะไรหรือนายเศรษฐีฉันอยากกินขนมเบื้องภรยาเมื่อเป็นเช่นนั้น ทำไมท่านไม่บอกแก่ดิฉันท่านเป็นคนจนหรือบัดนี้ดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในสักกระนิคมทั้งสิน้นเศรษฐีประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นพวกเขาทำงานของตนก็จะกินของตนประยะิยาถ้าการะนั้นดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในตรอกเดียวกันเศรษฐี ฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยซับละภรรยาถ้าอย่างนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่ในที่ใกล้เรือนนี้เศรษฐีฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัตยาศัยกว้างขวางละภรรยาถ้ากรณนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ชนสักว่าลูกเมียท่านเท่านั้นเองเศรษฐีประโยชน์อะไรของเธอ ด้วยคนพวกนั้นปริยาก็ดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านและดิฉันอย่างนั้นหรือเสถติีเธอจะทำทำไมปริยาถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้นเสถี๋ีก็เมื่อเธอทอดขนมที่นี้คนเป็นนั้นมากก็ย่อมหวังที่จะกินด้วยเธอจงเว้นข้าวสารที่ดีทั้งสิ้น ถือเอาเข้าวสารหักและเชิงกรานและกระเบื้องและถือเอาน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นบนแห่งปราสาทเจ็ดชั้นแล้วทอดเถิดฉันคนเดียวเท่านั้นจะนั่งกินณนที่นั้นนางรับคำดังนั้นแล้วให้ตาสีถือสิ่งของที่ควรถือเอาขึ้นสู่ปราสาท แล้วไล่ทาสีไปให้เรียกเศรษฐีมาเศรษฐีนั้นปิดประตูใส่ลิ่มและสลักทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกมาแล้วขึ้นไปยังชั้นที่เจ็ดปิดประตูแล้วนั่งณนะชั้นแม่นั้นฝ่ายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกรานยกกระเบื้องขึ้นตั้งแล้วเริ่มทอดขนม ตอนพระมหาโมกกลณะไปตรมานเศรษฐีกระนั้นพระาศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมกกลาะเทระมาแต่เช้าตรู่แล้วตรัสว่าโมกขลานะในสังฆารณิคมซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชกฤชเศรษฐีผู้มีความตรณีนั้นคิดว่า จะกินขนมเบื้องจึงให้ภรรยาทอดขนมเบื้องบนประสาทเจ็ดชั้นเพราะกลัวคนเหล่าอื่นเห็นเธอจงไปนะที่นั้นแล้วตรมาเศรษฐีทำให้สิ้นประย์ให้ผัวเมียแม่ทั้งสองถือขนมและน้ำนมหนยใสน้ำพึ่งและน้ำอ้อยแล้วนำมายัางพระเชตวัน ด้วยกำลังของตนวันนี้เรากับภิกษุห้าร้อยรูปจะนั่งในวิหารนั่นแหละจะทำพัฒกิจด้วยขนมเท่านั้นแม้พระเตระก็รับพระํำรัดของพระศาสดาแล้วไปยังนิคมนั้นด้วยกำลังฤทธิ์ทันทีทีเดียวเป็นผู้นุ่งห่มเรียบร้อยได้ยืนอยู่ที่ช่องสีหาบัรจรคือช่องหน้าต่าง แห่งปร า, าสาทหลังนั้นเหมือนรูปแก้วมณีลอยเด่นอยู่กลางอากาศเทียวเพราะเห็นพระเถระนั่นแหลดวงหะไทยของมหาเศรษฐีก็สันตานเขามีความคิดว่าเรามาที่นี้เพราะกลัวปุกลทั้งหลายผู้เป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่สมณะ น, นี้ยังมายืนดูที่ช่องหน้าต่างได้ ก็เมื่อไม่เห็นเครื่องมือที่ตนจะช่วยเอาเดือดด้านทำเสียงกะตะกะตะประดุดก้อนเกลือที่ถูกรอยลงในไฟจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศจะได้อะไรแม้จงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศซึ่งหารอยไม่ได้ก็จะไม่ได้เหมือนกันพระเตระ จงกรมกลับไปกลับมาในที่นั้นนั่นแหละเสธีจึงกล่าวว่าท่านจงกรมอยู่จะได้อะไรแม้นั่งขัดสมาธิในอากาศก็จะไม่ได้เช่นกันปเิระจึงนั่งคู่บาลังลาดับนั้นเสธีจึงกล่าวกับท่านว่าท่านนั่งในอากาศจะได้อะไรแม้มายืนที่ธรณีหน้าต่างก็จะไม่ได้ พระเทระได้ยืนอยู่ที่ธรณีหน้าต่างแล้วลำดับนั้นเขากล่าวกับทันว่าท่านยืนที่ธรณีหน้าต่างจะได้อะไรแม้บังหวนควัแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันแม้พระเทระก็บังหวนควันประสาททั้งสิ้นได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกันอาการนั้นได้เป็นเหมือนเวลา เป็นที่แทงตาทั้งสองของเศรษฐีด้วยเข็มเศรษฐีไม่กล่าวกับท่านพระมหาโมกขลานาว่าแม้ท่านให้ไฟโผลงอยู่ก็จะไม่ได้เพราะกลัวไฟไม่เรือนแล้วคิดว่าสมณะนี้จะเป็นผู้เกาะติดอย่างสนิทไม่ได้แล้วจะไม่ไปเราจะให้ถวายขนมแก่ท่านชิ้นหนึง่ง แล้วจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้แก่สมณัแล้วจงส่งท่านไปเสถะนางจึงหยอดแป้งลงในถาดกระเบื้องนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นขนมชิ้นใหญ่ได้พองขึ้นเต็มทั่วทั้งถาดตั้งอยู่แล้วเซตีเห็นเหตุการณ์นั้นกล่าวว่าชอรอย หล่อนจะหิบแป้งมากไปดังนี้แล้วตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทัพีแล้วยอดลงเองทีเดียวขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อนเศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆด้วยอาการอย่างนั้นขนมชิ้นนั้นๆก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียวเขาเบื่อหน่ายจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญ เธอจงให้ขนมแก่สมณะนี้ชิ้นหนึ่งเถอะเมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเชา้าขนมทั้งหมดก็ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันนางจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าน้ายขนมทั้งหมดติดเนื่องเป็นอันเดียวกันเสียแล้วที่ฉันไม่สามารถทำให้แยกได้เศรษฐีมานี่ฉันจะทำเองแล้วก็ไม่สามารถทำได้ ถึงทั้งสองจับที่ริมแผ่นขนมแม้ดึงออกอยู่ก็ไม่สามารถให้แยกออกจากกันได้เลยครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นปล้ำอยู่กับขนมเพื่อจะให้แยกกันเหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแล้วความหิวกระหายก็หายไปลำดับนั้นเขากล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญ ฉันไม่มีความต้องการขนมแล้วเธอจงให้แก่สมณะเถิดนา่งช่วยกระเช้าแล้วเข้าไปหาพระเทระพระเทระแสดงธรรมแก่คนแม้ทั้งสองกล่าวขุนพระรัตนตรยัยแสดงผลทานที่บุคคลให้แล้วเป็นอาธิให้เป็นหนังพระจันทร์ในปื้นทองฟ้าว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผล ยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลเศถีฟังธรรมนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าวว่าท่านผู้เริญท่านจงมานั่งบนบันลังนี้เถิดตอนพระเทระนำเศรษฐีและภรยาไปเฝ้าพระศาสดาพระเทระกล่าวขึ้นว่ามหาเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับนั่งในวิหารกับภิกษุ500ด้วยตั้งพระไตยว่าจะเสวยขนมเมื่อท่านมีความชอบใจเสถีท่านจงให้ภริยาที่เอาขนมและวัตถุอื่นมีน้ำนมเป็นต้นพวกเราจะไปสู่สำนักของพระาศาสดาเสถียีกบัด น, นี้พระาศาสดาประทับอยู่ที่ไหนเล่ากรับพระเิระ ประทับอยู่ในพระเฉตวันวิหารในที่สุดแห่งที่45โยน์จากที่นี้เศรษฐีทัผพ้เจริญพวกเราจะไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเท่านี้จะไม่ล่วงเลยเวลาได้อย่างไรพระเตระมหาเศรษฐีเมื่อท่านมีความชอบใจเราจะนำท่านทั้งสองไปด้วยกำลังของตน หัวบันไดประสาทของท่านจะมีในที่ของตนนี้เองแต่เชิงบันไดจะมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันเราจะนำไปสู่พระเชตวันโดยการชั่วเวลาลงจากประสาทชั้นบนไปยังชั้นล่างเขาจึงรับคำดังนั้นแล้วพระเทระทำหัวบันไดไว้ในที่นั้นนั่นเองแล้วอธิษฐานว่า ขอเชิญบันไดจงมีที่ซุ้มประตูพระเฉตวันณบันไดก็ได้เป็นแล้วอย่างนั้นนั่นแหละพระเทรฆให้เศรษฐีและภรรยาถึงพระเฉตวันเร็วกว่าการที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปอย่างชั้นล่างสามีภรรยาแม้ทั้งสองคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลการพระศาสดาสเสด็จเข้าไปสู่โรงชันแล้วประทับนั่งบนพุทธาฏที่เขาปู่ลาดไปแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเศรษฐีได้ถวายน้ำทักษีโนทกแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภรรยาใส่ขนมในบาตรของพระตถาคตเจ้าแล้ว แม้มาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาก็บริโภคขนมพ่อแก่ความต้องการความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลยแม้เมื่อเขาถวายขนมแก่ภิกษุในวิหารท้งสิน้นและให้แก่คนกินเด่นทั้งหลายแล้วความหมดสิ้นไปแห่งขนมก็ไม่ปรากฏอยู่นั่นเอง เขาทั้งสองจึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญขนมหาถึงความหมดไปไม่เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าถ้ากระ์นั้นท่านทั้งสองจงทิ้งเสียที่ซุ้มประตูพระเชตวันเขาทั้งสองก็ทิ้งที่เงื้อมซึ่งไม่ไกลซุ้มประตูพระเชตวัน แม้ทุกวันนี้ที่นั่นก็ยังปรากฏชื่อว่าเงื้อมขนมเบื้องมาเศรตฐีพร้อมด้วยภรรยาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยืนอยู่นะที่กวนข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วในการจบอนุโมทนาสามีและภรรยาทั้งสอง นำรงอยู่ในโซดาปฏิปนแล้วถวายบังคมพระศาสดาขึ้นบันไดที่ซุ้มประตูพระเชตวันแล้วสถิตยอยู่ที่ปราสาทของตนทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเจธีได้เกลีย่ยทรัพย์จำนวน80โกดในพระพุทธศาสนานั่นแหละตอนพวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมกขลนะในเวลาเย็นวันรุ่งขึ้น พวกพิสุประชุมกันในโรงธรรมนั่งกล่าวกุณกถาของพระโมกขลานะเตระว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูอนุภาพของพระมหาโมกขลานะท่านชื่อว่าไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะทรมานเจตีผู้มีความตรณีโดยกลู่เดียวกระทําให้หมดประโยชน์แล้วให้เขาถือขนม นำมาสู่พระเชตวันกระทำไว้ตรงพระพักพระศ า, าสดาแล้วให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลหน้าสัันพระเทะมีอนุภาพมากพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพวกภิกษุด้วยพระโสตาทาาอันเป็นทิพสเด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุตระหนายวันนี้พวกเธอนั่งประชุม ด้วยเรื่องอะไรกันเนาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสสรรเสริญพระเทรว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้ตรมานไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเปลี่ยนสกุลเป็นดุจแมลงผู้ เขาเอาละอองจากดอกไม้เข้าไปหาสกุลแล้วควรให้รู้พุทธคุณโมกกลณนะบุตรของเราก็เป็นเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่ามูนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนมแมลงผู้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นดอกไม้ให้ชอบชำ้ำถือเอาแต่รถแล้ว บินไปฉะนั้นบาลีว่ายาถาปิพะมะโรปุผังวันนะวันดังอเหทยังเปเลติระสะมาตายะเอวังคาเมมุนีเจเรตอนแก่อัตชาติแห่งสัตว์ผู้กระทำน้ำหวานชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่ า, มาแมลงผู้ในพระคถานั้น คำว่าปุบผังแปลว่าดอกความว่าแปลงผู้เมื่อบินไปในสวนดอกไม้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกชำ้ำคือว่าไม่ให้เสียหายบินไปคำ ว, ว่ามะเลติแปลว่าบินไปไม้ความว่าครันบินไปอย่างนั้นแล้วดื่มรสจนพอความต้องการ ขับเอารถแม้อื่นไปเพื่อประโยชน์แก่การกระทำน้ำหวานแล้วบินไปมแมลงผู้นั้นร่อนลงสู่ป่าชัดแห่งหนึ่งแล้วเก็บรถซึ่งเชือด้วยเกสร น, นั้นไว้ในโปรงไม้แห่งหนึ่งแล้วกระทำน้ำหวานให้เป็นน้ำพึ่งโดยลำดับดอกหรือสีและกลิ่นดอกไม้นั้น หาชอบช้ำไปใหม่เพราะการเที่ยวไปในสวนดอกไม้แห่งมแมลงผู้นั้นเป็นปัจจัยที่แท้สิ่งทั้งหมดคงเป็นปกติอยู่นั่นเองข้อทิวาเอวังคาเมมุนีจะเรคือมุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแปลว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนหมายความว่า พระอนาคาริยมุนีต่างโดยเสขะและอเสขะก็ฉะนั้นเที่ยวรับพิกษาในบ้านโดยลำดับสกุลแต่จริงการเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคะหามีแก่สกุลทั้งหลายเพราะการเที่ยวไปในบ้านของมุนีนั้นเป็นปัจจัยไม่ศรัทธากดีโภคะก็ดีคงเป็นปกติ อยู่นั่นเองก็แลพระเสขมุนีและอเสขมุนีครั้นเที่ยวไปอย่างนั้นออกมาแล้วพระเสขมุนีปูสังคตินั่งนะที่ที่สบายด้วยน้ำภายนอกบ้านก่อนแล้วพิจรารณาอาหารบินดาบาดด้วยสามารถแห่งการเปรียบด้วยน้ำมันหยอดเปล่า ผ้าปิดแผลและเนื้อแห่งบุตรแล้วฉันบินาบาทลบเข้าไปสู่ไปรสนเห็นป่านนั้นพิจารณากรรมฐานเป็นปลายภายในกระทำมกสีและผลสีให้อยู่ในเงื้มมือให้ได้ส่วนพระอาเสขะมุนีกระทาการอยู่สบายในที่ตธรรมเนืองเนืองบันดิต ขึงทราบความที่มุนีนั้นควรเห็นสมกับแมลงผู้โดยการกระทำน้ำหวานเช่นนี้แต่ในที่นี้ทรงประสงค์เอาพระกีนาศพในการจบเทสนาชวนเ็ น, นันมากบรลุริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิปลเป็นต้นพระศาสดากรันตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้ว เพื่อจะประกาศคุณของพระเทระแม้ให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมกขลานะทรมานเศรษฐีผู้มีความตรณีในบัตตนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการกร่อนเธอก็ทรมานเก่าแล้วให้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเหมือนกันดังนนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ จึงทรงนำอดีตนิทานมาสาตกริละลีสะชาดกน้ว่าคนทั้งสองเป็นคนกระจอกคนทั้งสองเป็นคนค่อมคนทั้งสองเป็นคนมีตาเลคนทั้งสองมีต่อมบนสีสักเราไม่รู้จักเศรษฐีชื่ออิละลีสะว่าคนไหนในนี้แหละเรื่องโกศิยะเศรษฐี ผู้มีความตระณนี